รสั้นๆก่อนที่จะปฏิบัติกันเมื่อคืนนี้พูดว่าความสุขอย่าทำให้ความสุขเป็นส่วนของเราอย่าทำตัวเราให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั่นคือสร้างบรรยากาศของความสามคีความเป็น้าหนึ่งใจเดียวทุกๆคนก็จะได้รับ การเฉลี่ยวความสุขทั่วถึงนั่นสุขที่เกิดจากสามัคคีนะครับความเป็นหนึ่งใจเดียวซึ่งเนื่องกับผู้อื่นแล้วเราพร้อยได้รับวันนี้ขณะ น, นี้ผมจะพูดเรื่องสุขที่มากกว่านั้นสุขที่เกิดจากหลายตัวร้ายตน อันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าเรามาพิจารณาดูนะครับว่ารัตน์ไตรนี่นสิ่งที่สำคัญมากเหตุที่มีคำว่ารัตนะมีส้อยนามคำว่ารัตนแะแปลว่าแก้วครับคนณบรา น, นั้นจะเทียบสิ่งใดที่มีราคาสูงสุดเขาจะเทียบด้วยแก้วมณีหรือรัตนะ รางนั้นพุทธรัตนธรรมรัตนสังครัตนถูกระบุ ข, ขึ้นเราปฏิบัติธรรมแล้วจึงจะรู้ซึ้งว่าพระพุทธเจ้าเป็นแก้วจริงๆเป็นแก้วมณีเนื้อเนื้อเนื้อภาษาสดาอื่นๆพระธรรมนี่เป็นเิษจริงๆมันดับทุกข์ได้จริงมันดับความ ทุรนทุรายดับความโง่ความเล่าร้อนความอะไรได้จริงๆทีนี้พระสังฆรัตนพสงเป็นมิตรที่ดีจริงๆเพราะท่านเป็นผูป้ปฏิบัติธรรมะจริงๆก็เลยเป็นเพื่อนจริงๆของเราพระธรรนจปรากฏขึ้นที่ใดนะครับโลก ก, ก็เจริญขึ้นดีขึ้นชาปายที่มนุษย์ยังไม่ทิ้ง พระัน้าใจไม่ห่างไกลพระ น, น้าใจนี่สังคมและปัจเจกก็จะประสบ ค, ความสุขเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงจึงจึงดีพระธรรมจึงดีและประสงค์จึงดีอย่างสมมติเราเห็นพระพุทธเจ้าถ้าสมมุติท่านเห็นเกตตัวท่าทางโฉงเฉงคุยโวโ อ, โอดวดเราคงไม่พูดพระพุทธเจ้าดีใช่ไหมครับ ดังนั้นเราต้องเห็นท่านเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมรบอบคอบสงบสงัดไม่วุ่นวายดังนั้นเราจึงว่าพระพุทธเจ้าดีทพ ร, ระสงค์นะครับพระธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเป็นสิ่งดีนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าดีที่สุดยังไม่มีใครสามารถสอนได้ดีเท่ากับท่าน ความสําคัญของพระสงฆ์นะครับหรือพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนพระเจ้าทรงตรัสนะครับว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นสําคัญตนเพียงเส้นยาฟังออกนะครับความสลักสําคัญของสงฆ์อยู่ตรงสงฆ์ไม่รู้สึกว่าตัวเองสําคัญอะไร เมื่อใดที่สงสำคัญตนผิดคิดว่าตัวสำคัญนะครับเมื่อ น, นั้นความสำคัญของสงก็จะหมดสิ้นลงฟังออกไหมฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าความสำคัญของพระสงฆ์คือก็คือกลุ่มท่านผู้ปฏิบัติสละความเห็นแก่ตัวสละทิฏฐิมานะสละความเย่อหยิงจองหองฟองขนดังนั้นพระสงฆ์จึงสำคัญ เพราะตัวอย่างมนุษย์ที่นี้หาได้ยากนกครับดังนั้นสังคมใดมีบุคคลที่กินน้อยใช้น้อยไม่เยอะยิงยโสสุภาพสงบระงับเช่นนี้กลุ่มบุคคลหรือบุคคลนั้นสาคัญมากครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงไหม mm hmm. แต่เมื่อใดพระสงค์สำคัญตนพลาดไป ค, คิดว่าตัวเองนี่สำคัญนักนะหนาเมื่อนั้นความสาคัญของท่าน กันสารของความสําคัญของท่านก็จะสูญเสียไปทันทีเข้าใจไหครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุสงฆ์สําคัญตนเพียงดังเส้นญ้าคิดเราไม่มีคุณราคาอะไรเลยคนที่คิดว่าตัวเองไม่ไม่สําคัญอะไรเลยคนเช่นนั้นสําคัญมากในสังคมครับเพราะเขาจะไม่ขโมยเขาจะไม่ทําร้าย เขาะไม่ไม่มีความจาเป็นที่เขาต้องพูดเท็จปล้นปล่อนกะล่อนหลอกล่อผู้อื่นทุกวันนี้นะครับชาบันสงพระสงฆ์ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะจะมองตามที่เป็นจริงนะครับพระสงฆ์มักจะสำคัญตนผิดเพราะอะไรเพราะออกบวชปับก็มีญาติโยมกลา่าวไหวนับถือทันทีก็น ล, ลืมตัวครับ วเป็นสมคุณเป็นสมเด็เจ้าคุณเป็นสมเด็จหน่อยขี้โมโหเก่งขึ้นวางอำนาจใหญ่ขึ้นดังนั้นทาวบรรสงจึงหมดสิ้นความสำคัญลงทีละน้อยทีละน้อยตัวอย่างเห็นได้จากเด็กรุ่นหลังเข้าไปเล่นด้วยครับตรมองในแงความจริงนะทาวบรรสงผมคิดว่าล่มแล้วเดี๋ยวนี้พอเด็กรุ่นหลังเข้าไปเล่นด้วยเขาสึกพระสงฆ์วางท่าเกินไป ผมชี้เห็นว่าพระพุทธกด็ดีพระธรรมพระสงค์กดีนะครับเป็นดังดวงแก้วคําว่าแก้วในสมัยโบราณไม่ได้หมายเพียงแต่ว่าเอาไปขายเป็นเงินเป็นทองนะครับหมายถึงสิ่งที่ส่องสว่างด้วยดวงแก้วในหมาดมันเ็สิ่งที่โชดช่วงเหมือนกับเรามีไฟฟ้านะครับมันทำให้วัดนี้ก็สว่างไม่มืดสถาบใดที่พระธรรมตรี ย, ยังมีความสําคัญอยู่ชุมชนนั้น ก็จะมีแสงสว่างบุคคลผู้ถือพระนตนัตถายันที่พึ่งก็เหมือนบุคคลถือคบอยู่ในมือเดินมาในที่มืดได้ยอย่างด้วยความมั่นใจธต่ามาื่ยที่พระธนัตราย์หรือสมมติวพระพุทธเจ้าเราสมมติขึ้นนะจริงๆมันเป็ี่ยนไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดคิดว่ากูเป็นพระพุทธเจ้าสําคัญกว่าใครหมดแล้วก็เยอะยิงเยอะโศ พระพุทธเจ้าก็จะตกออกไปจากความทรงจําของมนุษย์จริงไหมครับเพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งโง่ถือดีอวดตัวประสงค์ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ย้อนมาดูที่ตัวเราเมื่อใดเราสําคัญตนผิดไปเมื่อนั้นเราก็จะตกไปจากความทรงจําของเพื่อนๆด้วยครับ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 ส่วนพระธรรมนั้นสอนเรื่องความว่างอยู่แล้วครับจากตัวตนพระาสนาธรรมนั้นพระธรรมที่พระเจ้าสอนก็สอนในเรื่องของความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นสิ่งดาดดาดไม่ได้เด่นไม่ได้ด้อยอะไรไม่ได้วิเศษหรือไม่ได้มีค่าอะไรตามทางโลกสมมตุติดังนั้นพระพุทธเจ้าคือ ผ, ผู้ที่เข้าถึงพระธรรมที่เป็นดาดดาดธรรมดา ท่านก็ถึงถึงความดาาพระสงฆ์ก็เข้าถึงเรื่งความดาายิ่งมีกลุ่มบุคคลนะครับเข้าถึงลักษณะธรรมชาติธรรมดามากเพียงใดสังคมนั้นก็มีหลักประกันที่แน่นอ น, นครับแต่เมื่อใดก็ตามพระสงฆ์สําคัญตนผิด ค, คิดถึงตัวเองสําคัญมากๆากยิ่งยโสโอหังคิดถึงตัวเองสูงส่งเมื่อนั้นก็จะสิ้นความสําคัญไปทันที เข้าใจได้ใช่ไหมครับอืมไม่เข้าใจได้แล้วนะครับเราจงปฏิบัติธรรมะด้วยจิตใจซึ่งถ่อมคือน้อมนำธรรมะเข้ามานะครับแล้ว ก, ก็ปฏิบัติตามเยี่ยงผู้ที่เป็นทาสติด ต, ตามนายด้วยความพักดีแบบที่เราเสวดมนต์ น, นะครับข้าเจ้าเป็นทาสข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระพุทธธรรมพระสงนะ์เี่ แม้พระสงฆ์ก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับต้องคิดอย่างนั้นว่าเราไม่ได้วิเศษอะไรกว่าใครเราเป็นเพียงเหมือ น, นเส้นญ้าไม้ผุดังนั้นไม่ต้องหยิงในศักดิ์ศรีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นโน้มสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้วก็ปฏิบัติตามซื่อๆ อ, อย่ากลัวการที่ต้องปฏิบัติอะไรซื่อๆครับเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดหยิงเยโส ปฏิบัติเสื่องๆอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเราต้องกล้าวแกรงเราต้องเป็นนักต่อต้านนักปฏิวัติปฏิรูปอะไรตัวนี้ผมคิอว่าความคิดเช่นนี้มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียแล้วส่วนใหญ่มันเสียมากกว่าเพราะสิ่งใดที่เป็นแบบแผนที่ดีที่ลงตัวที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนตัวและส่วนรวมโดยเฉพาะส่วนรวมด้วยแล้วผมคิอว่าสิ่งนั้นเราไม่เห็นจะต้องไม่เห็นจะต้องต้านทานอะไร ตรงข้ามเมื่อเราได้ยินข่าวว่ามีกลุ่มไหนที่เขาทําสิ่งดีเราควรอนุมโมทนานครับเช่นได้ยินข่าวากลุ่ม g กรีนพีซต่อต้านการทําลายสิ่งแวดล้อมเราควรชื่นใจพรได้ยิ น, นรหรือเได้ยินองค์กรไหนที่กําลังอนุรักษ์สัตว์ป่าเรามีเงินบาทสองบาทเราจะส่งไปเพื่อสมทบเราไม่ควรจะดูดายครับเดี๋ยวนี้สถานการณ์รอบๆตัวกําลังเลวร้วายลงทุกที มหาสมุทแปซิฟิกตอนเหนือกำลังจะเน่าครับเพราะผงสักฟอกไม่ละลายฟองผงสักฟอกเกาะกันเป็นภูเขาลากาเลยแล้วป่าถูกทำลายเป็นแสนแสนไร่โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านของเราแม่น้ำภูเขาถูกทลายลาบลงแล้วก็มีมนุษย์ที่มีสำนึกดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อเราได้รับข่าวเราควรจะนึกดีใจ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 บางทีเราต้องต่อสู้กับคนที่เรารักด้วยครับคือไม่ใช่เราต้องต่อสู้กับศัตรูเท่านั้นครับเพราะศัตรู ม, มีหลายชั้นศัตรูข้างนอกและศัตรูภายในดังนั้นบางทีเราก็ต้องฟาดฟันกันกับเพื่อนที่เรารักมากไม่ใช่ฟันกันด้วยมีดด้วยขวานครับก็ด้วยเหตุผลแต่ว่าน้ำหนักที่สูงสุดนั้นคือความถ่อม คนที่ทมที่สุดจะมีน้ำหนักที่สุดแต่ว่าคนที่โอหังนั้นเปราะมากมากครับไม่ช้าไม่นานก็แม้จะมีเหตุผลแหลมคมต่เพื่อนไม่ฟังเพราะา ม, มันดูแล้วไม่น่าฟังไม่ชวนฟังถ้าพระสงฆ์ที่พูดเก่งนะครับมีโวหารแต่ว่าดูแล้วโอหังเพราะว่าไม่งามประชาชนย่อมไม่เลื่มใส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 ซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วจริงๆเนี่ยในที่ประชุมนี้ใครชอบกิเลสมั้งครับผมเชื่อไม่มีแต่ว่าใครรู้จักกิเลสถูกต้องนละถี่ถ้วนบ้างไม่แน่นอนครับทั้งๆเราไม่ชอบแต่เราไม่รู้จักมันบางทีมันมาในรูปของเหตุผลแต่เหตุผลนั้นเนื่องจากเราลิสยาคนโน้นเราจึงมีเหตุผลเป็นร้อยๆที่จะ ด, ด่ามัน จริงๆมูลเหตุของมันคือเราลิสยาเขาดังนั้นเราต้องรู้จักเราลากฐานที่หนักนน่นที่สุดในการเรียนรู้ตัวเองนะครับก็คือความท่อมแต่ถ้าคุณแกล้งท่อมนั่นคือการขี้คุยครับแล้ทำมันคนสุภาพมากๆนั่นคือมันคุยโตโอ้กอะไรวังสิ ก็ใช่ครับเจ่บางคนบอกว่าผมเป็นคนจริงใจนะผมเป็นคนไม่ต้องการอะไรมากแสดงเขายังต้องการอยู่มากๆเลยเพราะถ้าเขาไม่ต้องการเขาจะไม่พูดเลยดังนั้นความถ่อมนี้ต้องมาจากหัวใจนะครับหัวใจสงบเงียบแล้วก็ไม่ลวงล่อใครด้วยเล่ห์กลอบายไม่ยวนเสน่ห์ใครไม่ล่อหลอกด้วยคำพูดที่ชวนชวนฟังหรือยวนเสน่ห์เขา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 ดีขึ้นดีขึ้นจะไม่ชอบสะบัดสำนวนโวหารอะไรที่มันเหมือนกระหางเครื่องเวลาขอลองเพลงมันน่าลำคาญมากกว่าที่ทททที่น่าฟังดังนั้นพระเ จ, จ้าจึงตรัว่าความศักดิ์เป็นรถแห่งอมตะความศักดิ์จริงมีรถที่ไม่ตายก็รร ไ, ยได้ยินที่ไหนไมัชุ่มใจที่นั้น ต่ว่าถ้าสิ่งไม่จริงนะมันเติมหางเติมขนเท่าที่มันดูรุงรังพิกลดังนั้นเมื่อเราสรเสริญคุณพระธิดาใจนะครับเมื่อขณะที่เปล่งคําอุทธธานว่าธิดนั้นนะนั่นหมายถึงเราถมเข้าในหัวใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไม่มีมารณ์ทิฐิพระสงค์เป็นผู้ที่ไม่สําคัญตนเพียงเส้นญ้าและดังนั้นความสุข ที่แท้และลึกสิ้นเกิดจากการสิ้นอัตสมิมานะคือไม่มีตัวตนไม่มีความสําคัญตนอะไรอัตสมิมานะสะวินโยเอตังเวประมังสุ ข, ขงันงนั่วไงเงินเมื่อเพิกถอนอัตสมิตมานะเสียได้ย่อมเป็นสุขที่สุดเป็นบรมสุขประมังสุ ข, ขงังเมื่อคืนผมพูดเรื่องสุข เกิดแต่สามะคีของหมูนั่นเป็นเพียงบรรยากาศเท่านั้นเหมือนเราร้อนๆมาเข้าไปนั่งในห้องแอร์คอนเดนซันรู้นนสึกเย็นดีแต่นั่งนานลำคาญเหมือนกันคือบรรยากาศเป็นสุขเช่นวัดวารามหนึน่งนี้พระสงค์รหรือหาดูบาสกุบาสิกาเป็น้ําหนึ่งใจเดียวเราก็พลอยเป็นสุขตอบได้ที่ยังมีอหังการอยู่อัศมิตรมานะความถือดีความยาโสอหังเนี่ย ความสุขแท้จริงเนี่ยยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงเกิดจากสภาพร้ายตัวตวนเราเจริญสติเจริญภาวนาเช่นนี้นะครับเพื่อถอนลิ่มสลักอั น, น, นหนึ่งที่ปักนั่นนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอันสมิมาณนี้เหมือนหัวลูกศรจึงเสียบติดอยู่แล้วถอดยากเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะค่อยๆเพิกถอน ความยึดถือความโอหังความสำคัญตนผิดผิดไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามตามที่เป็นจริงมันจะไม่สำคัญัผิดอีกแล้วเห็นขันห้าตามธรรมชาตินี่มันก็หมดสิ้นความสำคัญผิดผิดดังนั้นมันจะมีสาระสำคัญในตัวมันเองคือหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาอยู่คิดนึรู้สึก เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่นี่คือสาระสำคัญโดยไม่ต้องมีตัวตนของมาเป็นเจ้าของว่าข้าสำคัญฉันสำคัญกว่าเธอดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติเราเดินจงกรมนี่เราจะเป็นคนไม่มีเรื่องครับเจ้าเรือนซึ่งเคยเจ้าของเรือนซึ่งเคยเป็นคนจูนจ้านอ น, นี้มันหายหัวไป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 นับตั้งแต่อดิตการนานไกลจนปัจจุบันนี้และในสังคมในอนาคตเป็นปนัญหาข้อเดียวกันทั้งสิ้นเลยครับคือมนุษย์มีความสำคัญตนผิดไปจากธรรมชาติซึ่งเรามักเรียกว่าอุปาทานนะครับสำคัญตนผิดผิดพลาดไปเรื่อยพลาดไปเรื่อยแล้วไม่รู้สึกตัวครับว่าพลาดเมือ่อใดที่เราเห็นความสลักสำคัญของธรรมชาติในตน ธรรมชาติในตัวเราเนี่ยมันมีความสําคัญในตัวมันเหมือนที่ผมพูดว่าน้ําเนี่ยเ ป, เป็นสิ่งที่ดาาแต่มันก็สําคัญมากๆเลยนะฮะเสือก็กินน้ำฮองเต้ก็กินน้ําขาดน้ําไม่ได้ครับจิงหลีดก็กินน้ําลมไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งธรรมดามากๆแต่ว่ามันสําคัญมากๆเลยครับคุณเปโดรฮิวาถ่ายท้องร่วงคืนเดียวน้ําออกจากร่างหมดตายทันทีทั้งๆกินน้ําไม่กี่ตังนะครับ ในร่างกายนี่ผมว่าไม่ถึงปี๊บขายสักสองบาทไม่มีใครซื้อแต่ว่ามันถ่ายออกมาหมดทีนคุณจะตายทันทีหรือไฟธาตุไฟธาตุแตกก็เกิดการไม่ย่อยอาหารขึ้นแล้วคุณก็ตายลมสว่านพัดขึ้นเบื้องบนทีเดียวคุณก็ตายแล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้นครับที่มีความสำคัญในตัวมันแต่มันไม่ได้สำคัญ ว่าตัวมันเลิศกว่าสิ่งไหนครับมีนิท่าเรื่องหนึ่งเราว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีนิ้วห้านิ้วของมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดทะเลาะกันขึ้นไอ้นิ้วโป้งบอกว่าข้าตัวโตกว่าเพื่อนไอ้นิ้วชี้บอกว่าข้าเป็นนายเขาเพราะว่าเจ้านายทุกคนจะชี้นิ้วชี้ไปที่ทาต นิ้วกลางบอกว่าค่าสูงเมื่อใครหมดนิ้วนางบอกว่าค่าสวยเม่ใครหมดเพราะเวลาเขาใส่แหวนก็ใส่ที่นิ้วของข้านิ้วก้อยบอกไม่ใช่อย่างนั้นค่าตัวเล็กก็จริงแต่เขาถนอมข้ามาแหวนและแพงจะอยู่ในนิ้วของข้าเทียงไปเที่ยงมาฝ่ามือบอกว่าเจ้าทั้งหมดอยู่ในกำมือของข้า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 จะไปไว้ในตู้เย็นกลายเป็นอื่นไม่เป็นน้ำค้างแล้วกลายเป็นน้ำแข็งดังนี้เองครับเราต้องเรียนรู้สภาวะซึ่งดาษคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไร้ค่าครับแต่มันมีค่าของมันเองนะฮะเมื่อไดที่เราควายคว้าเอาสิ่งที่โลกสมมุติให้เราก็จะเจ็บปวด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 ปกกลที่หน้าเราแล้วไอ้ข้างในกเกลี้ยงเองครับเข้าใจไหมถ้าเข้าสิ่ฟิตแล้วยุ่งกันใหญ่นะผมว่าก่อที่มานี่ที่บ้านที่ผมพักครับจริงๆผมไม่มีบ้านเขาให้อยู่มีนกตัวหนึ่ ง, งมาเกาะที่หน้าต่างกระจกครับกระจกบานตันนะครปิดตายเนี้ข้างในมันมืดดังนั้นมันคิดว่าเป็นนกตัวเมียมันเลยจิ ก, จ, กจิกจะเข้ามาให้ได้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 หรือจิตที่คิดเองอย่าไปต้านเขาแต่จงรู้จงเห็นจงถ่อมเข้าไปในตัวเองแล้วทั้งหมดจะนิ่มนวลกลมกลืนขึ้นเทเรนน้อยเทเรนน้อยเจตนาในการกระทํากรรมกระทำโน้นทนํานี้สิ้นสุดทุกเมื่อใดความเป็นเองก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อเห็นความเป็นเองก็จะรู้เองครับว่าความสําคัญของทุกๆคนนี่อยู่ในตัวของเขาเองไม่ใช่คนอื่นแต่งตั้งหรือลดความสําคัญลงได้ จากเวลาสิบจนยน่สิบโมงนี้นะจนถึงสิบเ็ดครึ่งนะรเราก็จะเดินจงกรมกันผมจะเดินวนในนี้สักรอบหรือสองรอบนะครับต่อจากนั้นเราก็เดินไปทั่วบริเวณนี้ตามตามผมจะเดินนำเมื่อทุกคนผ่านทางผ้าสันถัดที่รองนั่งนะฮะแผ่นพลาสติกนะนะั้นด้วยกิริยาที่สงบงเงียบหยิบไปคนละผืนโดยไม่ต้องพูดกัน ผู้ใดที่สวมรองเท้าก็ใส่งเท้าโดยไม่ต้องพูดกันโดยไม่ต้องถามว่ารองเท้าท่านอยู่ไหนเดินตามไปเงียบๆพู้ที่ไม่สวมรองเท้าอยู่แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องวุ่นวายเข้าใจไหมครับเดินตามผมไปผมเดินเร็วคนเดินตามหลังต้องเร็วตามผมกระแหงเดินช้าๆทุกคนก็นต้องช้าเพื่อเรียนรู้อัตราทีของการเต้นของหัวใจความรู้สึกที่ที่ฟื้นฟูขึ้น อาการชนี้เราเรียกว่าบ่มบ่มความรู้สึกตัวครับซึ่งแตกต่างจากความรู้ที่เราเรียนด้วยความจําในโรงเรียนเข้าใจไหมครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับความจําเลยคุณไม่ต้องจําอะไรไปเลยก็ได้ครับมันจะปรากฏอันนี้เรียกว่าสภาวะรู้ไอ้ที่เราเรียนในโรงเรียนเรียกว่าความรู้นานเข้ามันลืมครับความรู้เนี่ยไอ้นี่ยิ่งยิ่งนานเข้ายิ่งไม่ลืมครับเป็นความตื่น